จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สิบกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ตรงกับวันเสาร์แรม8ดค่ำเดือนสามเป็นวันพระวันธรรมมนะัสโกน วันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนผู้มีความเริ่อมใส่ศรัทธาในพระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนอันประเสริฐและในพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้นั่งใจมาเพื่อมาบำเพ็ญศาสนากิจ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจและเพื่อกำลังใจที่จะได้มีไว้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆกับจากกับอุป ส, ปสรรคต่างๆกับความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆให้ชีวิตสามารถดำเนินไปได้ อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างราบรื่นดีงามถ้าเราปราศจากกำลังใจแล้ว <c oughs> ก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตไปได้ <c oughs> บางคนเมื่อหมดกำลังใจ <c oughs> ก็คิดสั้นด้วยการทำลายชีวิตของตนเองโดยไม่ทราบว่ากำลังใจงถึงแม้จะหมดไปได้ ก, กสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ใหม่ได้เหมือนกันเหมือนกับกำลังกายเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่มีกำลังกายที่จะทำอะไรก็นอนพักผ่อนไปก่อนหลับนอนกินข้าวกินอาหารแล้วรอเวลาให้ร่างกายค่อยฟื้นขึ้นมาเมื่อร่างกายหายเป็นปกติแล้วก็จะมีกำลังกาย ที่จะทำอะไรต่อไปได้กำลังใจก็เช่นเดียวกันเมื่อเราหมดกำลังใจก็อย่าไปท้อแท้อย่าไปคิดสั้นทำลายชีวิตของตนเองเพราะกำลังใจเราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ใช้เวลาบ้างนิดหน่อยขอให้เรารู้จักวิธีที่จะสร้างกำลังใจเท่านั้น เหมือนกับที่เรารู้จักวิธีสร้างกำลังกายเวลาเราขาดกำลังกายเราก็พักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารให้เต็มที่ออกกำลังกายแล้วต่อไปร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงเวลาเราขาดกำลังใจเราก็ต้องเข้าหาพระศาสนาเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแรงที่เป็นแ่งที่จะฟื้นฟู สร้างกำลังจิตกำลังใจให้กับเราเช่นการมาวัดนี้เราก็กำลังมาเติมกำลังใจให้กับชีวิตของเราด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรม วิธีการเหล่านี้จะเป็นวิธีที่จะสร้างกำลังจิตกำลังใจให้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจทำให้จิตใจมีกำลังที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือชั่วอย่างไรจิตใจจะไม่มีความหวั่นไหวจิตใจจะไม่เสียหลักจิตใจจะไม่เสียใจจะสามารถผ่านไปได้อย่างสบายใจดังนั้นเราจึงควรให้ความสาคัญ ต่อการเสริมสร้างกําลังจิตกาลังใจอย่างสม่าเสมอด้วยการมาวัดมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อเราจะได้มีกาลังใจที่เข้มแข็งที่แก่กล้าที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่เลิศที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ ดำเนินไปถึงได้กำลังใจนี้ก็มีองค์ประกอบอยู่5ประการด้วยกันคือ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. วิริยะความภาคเพียร 3. สติคือการระลึกรู้ 4. สมาธิความตั้งมั่นของใจและ 5. ปัญญาความรู้ความฉลาด คุณธรรมทั้งห้าประการนี้เราสามารถเติมได้จากการที่เรามาวัดในเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมกันเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนอันประเสริฐเกี่ยวกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายถ้าเราเคยฟังแล้วเมื่อเราได้ฟังซ้าอีก เราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะทำให้ศรัทธาของเราในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์มีแก่กล้ายิ่งขึ้นไปเ mm. มื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีวิริยะความภาคเพียรที่จะประกอบกิจกรรมต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้ทำไว้เป็นตัวอย่าง เพราะการกระทำตามพระพุทธเจ้านั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องเป็นการกระทำที่จะพาให้ชีวิตของเราไปสู่ความก้าวหน้าสู่ความสุขอย่างแท้จริง mm hmm. เมื่อเรามีความภาคเพียเราปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติสติคือเราจะเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจำเป็นจะต้องมีสติ สติก็คือความรู้สึกตัวรู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตัวเราว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรเรากำลังทำอะไรนี่คือสติคนที่มีสติแล้วจะเป็นคนที่จะดําเนินกิจการต่างๆไปอย่างถูกต้องดีงามคนที่ไม่มีสติก็เป็นเหมือนกับคนบ้า คนบ้าเราก็เห็นว่าเป็นอย่างไรไม่สามารถดำเนินกิจการต่างๆให้เป็นไปได้ดีให้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปทำได้เพราะไม่มีสติคือไม่รู้ว่าตนเองกำลังคิดอะไรอยู่แล้วเมื่อคิดไปแล้วก็ทำไปตามความคิดโดยไม่ได้รับการกันกรองเสียก่อนว่าความคิดนี้ดีหรือไม่ การกระทำที่จะทำนี้ดีหรือไม่การพูดนี้ที่จะพูดนี้ดีหรือไม่ถ้าไม่มีสติก็จะเป็นอย่างนั้นดูคนที่เสพสุรายาเมาเป็นตัวอย่างนั่นเป็นตัวอย่างของคนที่ขาดสติเวลาเสพสุรายาเมาแล้วจะไม่รู้สึกตัวว่ากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไร พคิดอะไรก็ทำไปตามทางความคิดนั้นโดยไม่ได้แยกแยะว่าดีหรือชั่วเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรส่วนใหญ่เวลาไม่มีสติแล้วก็ความคิดก็จะไหลไปทางาไปทางที่ต่ำไปคิดตามอิทธิอำนาจของความโลภความโกรธความลงเมื่อปล่อยให้ไปทางนั้นแล้วก็จะ ออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นดังที่เราเห็นกันกับคนที่เสพสุรายาเมาเวลาขับรถก็ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ให้อยู่ในความบังคับของตนได้ไม่รู้ว่าสภาพถนนหนทางนั้นควรจะใช้ความเร็วช้ามากน้อยเพียงไรก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมา ตามที่เราได้ยินได้ฟังมายอย่างต่อเนื่องนี่เป็นผลเพราะว่าไม่มีสติดังนั้นสติจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งหลังจากที่มีศรัทธาแล้วเราก็มีความภาคเพียรภาคเพียรที่จะทำความดีละเว้นการกระทำบาปภาคเพียรที่จะชำระความโลภความโกรธความหลง ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราต้องมีสติเราต้องรู้ว่าขณะนี้เรากำลังคิดจะทำอะไรคิดเนธะทำในสิ่งที่ดีหรือไม่คิดชำระความโลภความโกรธความหลงหรือไม่ถ้ามีสติเราจะรู้อยู่ตลอดเวลา สติก็คือการมองดูกายกับใจของเรานั่นเองดูใจก่อนเพราะใจเป็นต้นเหตุให้มีสติอยู่ที่ความคิดให้รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอย่างวันนี้เราคิดมาวัดกันเรารู้ว่าการมาวัดเป็นการกระทาที่ดีเราก็ปล่อยให้ความคิดนี้ไหลไปตามการกระทาทางกายและทางวาจา เราชวนญาติพี่น้องชวนเพื่อนฝูงมาแล้วเราก็เดินทางมาที่วัดกันนำกับข้าวกับปลาอาหารของเขาของหวานต่างๆมาถวายพระนี่เป็นการกระทําที่มีสติถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถที่จะมาวัดได้เพราะคนที่ไม่มีสติตอนนี้ก็ยังหลับนอนอยู่ เช่นเมื่อคืนนี้ออกไปเที่ยวกังคืนจนดึกดื่นเสพสุรายาเมาจนหมดสติไปกลับมาบ้านก็นอนหลับไปจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ตื่นขึ้นมาเพราะยังไม่ได้สตินั่นเองคนที่ไม่มีสติแล้วจะทำความดีไม่ได้จะต่อสู้กับความชั่วไม่ได้จะกลายเป็นทาสของความชั่ว จะถูกความชั่วฉุดละให้พาไปกระทำสิ่งต่างๆที่จะทำตนให้ตนเองเสื่อมเสียและหาและและทำลายตนเองไปในที่สุดดังนั้นคุณธรรมสำคัญที่เราควรที่จะเจริญอย่างยิ่งและตลอดเวลาก็คือสติสติหมายถึงว่าให้เรารู้อยู่ในปัจจุบันพยายามดึงใจให้เราอยู่ ที่นี่เดี๋ยวนี้เช่นขนาดนี้ถ้าเรามีสติเราก็กำลังเราก็จะรู้ว่าเรากำลังฟังอะไรอยู่แต่ถ้าเรานั่งไปฟังไปแต่ไม่มีสติใจปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดีหรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นเรื่องที่จะไปทำต่อในอนาคตก็ดีถ้าเป็นอย่างนี้ แสดงว่าไม่มีสติถึงแม้จะฟังอยู่แต่จะไม่รู้เรื่องว่ากำลังฟังอะไรเสียงเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปไม่ได้เข้าไปในใจเมื่อไม่มีสติดึงเสียงให้เข้าไปสู่ใจก็จะไม่รู้เรื่องว่ากำลังฟังเรื่องอะไรอยู่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังหรือถ้าไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่คุยกันหันหน้าเข้าคุยกันอย่างที่เราเห็นกันเวลาที่ไปงานกุศลงานบุญงานกุศลต่างๆเวลามีพระสวดมนต์เวลามีพระแสดงพระธรรมเทศนาส่วนใหญ่จะไม่ได้ฟังพระเทศไม่ได้ฟังพระสวดกันแต่จะคุยกันพนมมือไปแต่หน้า ก็หันหน้าหากันพนมมือไปทางพระแต่หน้าหันหน้าเขาหาคนข้างๆแล้วก็ซิบกระซาบคุยกันอย่างนี้แสดงว่าขาดสติในการฟังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการฟังก็จะไม่มีเวลาฟังธรรมนี้จะเกิดประโยชน์หลายประการด้วยกันอย่างที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นว่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมคำสอนเรื่องของพระอรหันตสาวกทั้งหลายแต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเราจะได้ยินเรื่องราวของผู้เิฐเหลังนี้เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าดีขึ้นเราจะรู้จักพระธรรมคาสอนของพพระพุทธเจ้าดีขึ้นและเราจะรู้จักพระอรหันตสาวกได้ดีขึ้น เราจะรู้ว่าบุคคลเหล่านี้ประเสริฐขึ้นมาได้อย่างไรบุคคลเหล่านี้พ้นจากความทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรก็จะทําให้เราเกิดความศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของท่านเพราะไม่มีอะไรดีเท่ากับการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ดีเลยเกิดทีไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันอยู่เสมอก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นตราบใดที่ยังเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องเจอกับความทุกข์อยู่เมื่อเราได้ศึกษาว่าท่านเหล่านี้เมื่อก่อนก็เป็นเหมือนเราเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเราแต่ท่านมีความขยัน ที่จะศึกษาหาทางออกแล้วก็เดินตามทางที่ได้ศึกษาไว้จนในที่สุดก็สามารถทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อที่จะดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลาย ได้ดำเนินไปโดยนำเอาพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแผนที่เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าที้ให้เราเดินไปเราก็จะเกิดวิริยะความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเราจะขยันทำความดีกันขยันละการกระทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพุตผิดประเวณี พูดปลดมดเทสเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรและมีความเกียดคร้านสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญแต่จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์สู่ความเสื่อมเสียสู่ความหายนะ เราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะต่อต้านที่จะต่อสู้กับการกระทาเหล่านี้เพราะเราได้เห็นตัวอย่างที่ดีคือเราเห็นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านได้ละแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็ได้พบกับสิ่งที่ดีที่เลิศกว่าสิ่งที่ท่านได้ละไปเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจมีความภาคเพียรมีวิริยะที่จะ ดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จ ะ, จะเจริญสติอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะเราได้ยินแล้วว่าการจเจริญสตินี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เราได้กระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราต้องดูที่ใจของเรารู้อยู่ทุกขณะว่าใจของเรากำลังเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ ถ้ามันคิดแวบออกไปนอกทางเราก็จะได้ดึงมันกลับเข้ามาเหมือนกับเวลาที่เราขับรถยนต์เราก็ต้องมีสติคอยดูว่ารถวิ่งอยู่บนถนนหรือไม่ถ้ารถเริ่มวิ่งสายออกไปทางนอกถนนเราก็จะได้รีบดึงมันกลับเข้ามาได้ถ้าไม่มีสติเหมือนคนขับสุราที่มึนเมาเวลารถวิ่งแหกโค้งก็จะไม่สามารถ ดึ่งรถกับเข้ามาในถนนได้ก็จะประสบอุบัติเหตุเกิดความเสียหายหตามมาเพราะไม่มีสตินั่นเองดังนั้นเราจึงต้องเจริญสติให้มากๆตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยจนถึงเวลาที่เรานอนหลับเราควรจะมีความรู้สึกตัวอยู่เสมออยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ถ้าเรากาลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารอย่าคุยกันในขณะที่รับประทานดีไม่ดีเดี๋ยวสำลักอาหารตายไปก็มีเพราะไม่มีสติรับประทานไปก็คุยไปหัวละไปอาหารที่อยู่ในปากก็เลยหลุดเข้าไปในหลอดลมทําให้หายใจไม่ออกทําให้ตายได้แต่ถ้าเรามีสติแล้วเราจะ รู้อยู่ทุกขณะว่าเรากำลังเคี้ยวเรากำลังกลืนเราจะไม่ไปคุยกันให้เสียเวลาดูตัวอย่างเวลาที่พระสงฆ์ท่านฉันอาหารกันท่านจะไม่คุยกันท่านจะมีสติอยู่กับการรับประทานอาหารอยู่ <c oughs> อยู่เสมอดังนั้นการมีสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเมื่อมีสติแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิ และเกิดปัญญาตามมาเวลามีสติแสดงว่าจิตเราไม่วอกแวกจิตเราไม่สายไปสายมาจิตเราตั้งมั่นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติมีสมาธิเช่นขณะที่เราฟังเทศในขณะนี้เราฟังด้วยการมีสติไม่ส่งจิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆจิตของเราก็จะตั้งมั่นอยู่กับการฟังก็จะเป็นสมาธิ จะมีสมาธิในการฟังเมื่อมีสมาธิในการฟังแล้วก็จะทำให้จิตใจมีความสงบนี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการฟังธรรมด้วยสติเมื่อฟังไปแล้วจิตก็จะสงบมีความสุขมีความสบายเพราะจิตระ ง, งับไปคิดเรื่องราวต่างๆที่สร้างความวุ่นวายสร้างความกามวลใจได้ขณะหนึ่ง คือในขณะนี้ขณะที่เราฟังธรรมอยู่นี้เมื่อเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรื่องอื่นก็จะไม่มาสร้างความหุ่นวายให้กับใจของเราใจของเราก็จะสงบจะเย็นจะสบายนอกจากนั้นเรายังได้ปัญญาอีกด้วยคือเราจะ <c oughs> รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดรู้ว่าการดาเนินชีวิตของเรานั้นเราควรจะดาเนินชีวิตอย่างไร เราต้องดำเนินตามวิถีทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งบวงถ้าเราเดินไปตามทางแห่งความอยากแห่งความโลภความหลงแล้วมันก็จะพาเราไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายใจเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากเราต้องการนั้น มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราที่อย่างแท้จริงมันให้ความสุขเราเพียงชั่วขณะที่เราได้มาใหม่ๆแต่หลังจากนั้นมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ว่าเราได้อะไรมาใหม่ๆเราจะรู้สึกดีอกดีใจแล้วต่อไปเราก็จะมีความกังวลใจเพราะถ้าเรารักอะไรเราชอบอะไรเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้จากเราไป แต่เนื่องจากว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้ถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรเราจรึงไม่รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่มีอะไรที่จะอยู่เหมือนเดิมไปตลอดเราได้อะไรมาในวันนี้ไม่นานต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงได้จากของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าได้จาก หนุ่มสาวก็กลายเป็นคนแก่ไปได้จากคนดีกลายเป็นคนไม่ดีไปได้เพราะนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราไม่รู้ทันเราไปอยากเข้าเมื่อไม่ได้สมความอยากเราก็เสียอกเสียใจเวลาสิ่งที่เราได้มานั้นเปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเหมือนกับวันแรกที่เราได้มานี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีปัญญานั่นเองถ้าเรามีปัญญา <_? S 1> เราจะมีความเห็นที่ถูกต้องคือเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่เหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมไปตลอดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะให้ความทุกข์กับเราจะให้ความสุขกับเราได้อย่างไรก็ต้องให้ความทุกข์กับเราเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหรือในขณะที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเราก็มีความกังวลแล้วมีความห่วงใยแล้วว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ <c oughs> นี่ก็เป็นความทุกข์ <c oughs> ทั้งนั้น <c oughs> แต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ควรยึดติดกับอะไรมีอะไรมีได้ใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับเราได้แต่อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวังว่าจะเป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไป เ, เวลาเกิดขึ้นเวลาเกิด การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นก็จะไม่ทำให้เราเสียอกเสียใจเพราะเราไม่ได้หวงังเราไม่ได้ยึดติดกับสิ่งนั้นๆนั่นเองปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงจะอยู่กับเราก็ได้จะจากเราไปก็ได้ถ้าอยู่กับเราเราก็หาประโยชน์หาความสุขจากสิ่งนั้นเมื่อถึงเวลาที่สิ่งนั้นจากเราไป ก็ให้ไปโดยดีไม่ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจไม่ต้องมาโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกันถ้าไม่มีปัญญาแล้วชีวิตของเราจะมีความทุกข์มากเพราะเวลาเราสูญเสียอะไรไปเราจะเสีย อ, อกเสียใจเราจะโกรธแค้นโกรธเคืองจะมีความอาฆาตพยาบาทกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็จะพาให้เราไปสู่ การกระทําที่เลวร้ายต่อไปถ้าเราไม่สามารถทําอะไรได้ทําร้ายผู้อื่นไม่ได้เราก็ทําร้ายตัวเราเองหรือทําร้ายทั้งผู้อื่นและทําร้ายตัวเราเองเวลาที่เราสูญเสียอะไรหมดสิ้นไปแล้วดังที่เราได้ยินขา่าวเมื่อไม่กี่วันนี้ที่มีครอบครัวหนึ่งที่หัวหน้าครอบครัวทําลายฆ่าภรรยาฆ่าลูก และฆ่าตนเองไปเพราะเกิดการสูญเสียนั่นเองจากการที่มีเงินมีทองแล้วต้องกลายเป็นคนที่ไม่มีเงินมีทองมีหนี้มีสินและไม่มีปัญญาที่จะใช้คืนเขาได้ก็เลยหมดกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปแล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะหยุดปัญหานี้ได้อย่างไร ก็เลยใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องนั่นเองคือคิดว่าการทำลายฆ่าตัวเองและผู้อื่นแล้วจะทําให้ปัญหาหมดไปแต่ความจริงแล้วปัญหายังไม่หมดเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กายลึก อ, อยู่ที่สมบัติเข้าของเงินทองปัญหาอยู่ที่ใจใจมีความหลงมีความมืดบอดมีความเสีย อ, อกเสียใจ หมดกำลังจิตหมดกำลังใจถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะรู้จักวิธีแก้ปัญหาได้คือสมมติว่ามีหนี้ยังใช้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงถ้าจะต้องถูกยึดข้าวของเงินทองอะไรไปก็ให้ยึดไปถ้าจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางก็ให้จับเข้าไป ไม่เป็นไรไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องพ้นโทษออกมาจนได้และเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ถ้าเราไม่มีความท้อแท้ไม่มีความผิดหวังสัยอย่างแล้วไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้เพราะเมื่อเราเกิดมาใหม่ๆเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเหมือนกันแล้วเราทำไมสามารถสร้างสิ่งต่าง ให้มีเกิดขึ้นได้อย่างที่เรามีอยู่กันในวันนี้ก็ไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรที่จะต้องน่ากลัวเลยถ้าเกิดเราจะต้องสูญเสียอะไรจนหมดสิ้นไปเหลือแต่ร่างกายเหลือแต่ตัวเราเพียงอย่างเดียวถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เรามีสติมีปัญญาเรามีกำลังจิตมีกำลังใจเราก็ยังสามารถที่จะ เริ่มต้นใหม่ได้สามารถหาสิ่งต่างๆที่เราสูญเสียไปได้ใหม่จะได้มากได้น้อยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรืออาจจะเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมก็ได้ว่าไม่ควรจะสแสวงหาแบบเดิมๆอีกต่อไปเพราะแสวงแบบนั้นเดี๋ยวก็เจอปัญหาแบบเดิมอีกหาได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะหมดสิ้นไปสู้หาอย่างอื่นดีกว่า หาอย่างที่พวกพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกหากันก็คือหาความสุขในใจของตนเองนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถเอาจากเราไปได้มันจะไม่สูญหายจากเราไปถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็อาจจะออกบวชได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้และ อาจจะได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาก็ได้คนบางคนนี้จะต้องอาศัยเหตุการณ์เลวร้ยายทางชีวิตคือเคยร่ำรวยแล้วหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วจึงเกิดเห็นดวงจึงเกิดมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาแต่เห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรไม่อยากจะได้อะไร เช่นเคยมีสามีหรือมีภรรยาแล้วภรรยาเกิดพญญาหรือสามีเกิดเกิดตายไปเกิดจากไปอย่างนี้ถ้ามีสติสตังมีปัญญาก็จะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาว่าไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่จีรังถาวรในโลกนี้ไม่ควรที่จะไปหลงยึดติดไม่ควรที่จะไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้ ทั้ที่จะแสวงหาสิ่งที่มีอยู่กับตัวเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดนั่นก็คือความสุขภายในจิตในใจที่เกิดจากการปฏิบัติ ต, ตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้พบกับสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศที่มีอยู่ในตัวเราที่เราไม่รู้มาก่อนถ้าไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุทั้งหลาย จะไม่ปรากฏขึ้นมาให้เรากราวไหว้บูชาได้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านก็เป็นมนุษย์บุตุชนเหมือนกับเราแต่ท่านมีความฉลาดท่านมองเห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆในโลกนี้เห็นว่าไม่มีอะไรจีรังถาวรเห็นว่าไม่มีอะไรให้ความสุขได้อย่างแท้จริงท่านจึงตัดท่านจึงละความสุขทางโลกแล้วก็ เข้าหาความสุขทางด้านจิตใจด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมทำความดีละความชั่วปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญปัญญาจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจํานวนมากนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะยินดีควรที่จะพยายามไขว่คว้า หามาให้เป็นสมบัติของเราให้ได้ด้วยการศึกษาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อเราจะได้มีกำลังใจที่จะดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาจึงอยากจะขอฝากเรื่องการมาเสริมสร้างกำลังใจด้วยการสร้างศรัทธาความเชื่อวิริยะความขยันหมั่นเพียรสติ ความระลึกรู้สมาธิความตั้งม <Tibetan> <stretching> ั่นของจิตใจและปัญญาความฉลาดรู้ทันให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปพิพิารณาและปฏิบัติเพื่อกำลังจิตกำลังใจที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้นำพาชีวิตของท่านให้ไปสู่ความสุขและความเจริญในลำดับต่อไปการแสดง ก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากาันเทอ